ที่หลวงพ่อคูณมารับภาพนะเมื่อวานท่านก็เข้าโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งนะเข้ า, ข า, ขาออกๆๆแล้วก็แต่ละครั้งก็อาการก็สุดหนักไปเรื่อยๆครั้งล่าสุดนะครั้งสุดท้ายนี้ท่านก็หัวใจหยุดเต้นตั้งแต่อยู่ที่วัดละวัดบ้านไร่มาถึงโรงพยาบาลก็ปั๊มนะหมอก็ให้สัมภาษว่าปั๊มหัวใจประมาณชั่วโมงหนึ่งนะนึกถึงคนแ ก, ก, ก่นะ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 ลูกศิษย์ก็หลายคนก็ยังไม่เห็นด้วยเนะีอันนี้ก็ถือว่าท่านไม่ได้เอายุศธาบรรดาศักดิ์เป็นใหญนะ่ถือว่าท่านจะเป็นพระราชคณะชั้นเทพแล้วก็มีคนรู้จักมากมายท่านเจ้าพุทธทาสท่านก็เคยความมีความคิดนะว่าเอาร่างของท่านเนี่ยฝังไว้ในถังซีเมนเลยนะไม่ต้องเผาเอ่ะออกไปไว้ในถังซีเมนเลยแต่ว่าตอนหลังลูกศิษย์ลูกหาทวงก็เลยเปลี่ยนนะ